ปาฏิหาริย์ที่ 4. เรื่องเท้าสามบดีพรมข้อ42ครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้วเท้าสามบดีพรมเปล่งรัศมีงามยังภัยสนุนทังสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนณที่สมควร ดุดกองไฟใหญ่ที่งามและประณีตกว่ารัศมีก่อนครั้นราตรีนั้นผ่านไปชดินอุรุเวละกัสปะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่มหาสมณะได้เวลาแล้วพัตฐารเสร็จแล้วข้าแต่มหาสมณะผู้นั้นคือใครกันหนอเมื่อราตรีผ่านไปแล้ว เปล่งรัศมีงามยังภัยสนทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาเฝ้าพระองค์ถวายอภิวาทแล้วได้ยืนในที่สมควรดุดกองไฟใหญ่ที่งามและประณีตกว่ารัศมีก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัตสปะผู้นั้นคือเท้าสามบดีพรมเข้ามาหาเราเพื่อฟังธรรมขณะนั้นชชดินอุรุเวละกัตสปะได้มีความคิดดังนี้ว่า พระมหาสมณะมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจริงถึงกับเท้าสามบดีพรมเข้ามาหาเพื่อฟังธรรมแต่ไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่พระผู้มีพระภาคสวยพระตาหารของชชดินปุรุเวละกัสปะแล้วประทับอยู่ที่ไพรสุนแห่งนั้นปาฏิหารที่สจบ